เห็นไปตามขั้นตามภูมิทีตตัวปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติจึงจำเป็นที่พวกเราท่านผู้ ย, ยังข้องแวะยังจิดมีไม่ชี้เหลือกันหาจะต้องกาะทำถึงยากลำบากผู อ, อุตสาห์พยายามทำไปถึงสะดวกผมควร น, นอนใจเพราะ ยากอาจจะมีตั้งหน้าต่างหน่ะทีนี้พี่เจรนาะต่างหน้า <c oughs> สั้งบอลรักษาเมื่อทุกคนสนใจรักษาตัวอยอย่างนั้นบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจให้ตั้งมั่นในอดในธรรมไม่มีชายที่ไหนจะเหลือวิสัยถ้าตั้งใจจะพึ่งจะจบัตกจริงจัง จะ ต, ต้องเห็นต้องเป็นเพราะทำนั้นในเวปปลูกขันแต่สารว่าหรือดำทายที่หญิงหรือทาเล่นเสียแตบบ่ภูติมีทะลุจำคือจำหน่ะที่ตัวทำไว้เส่นข่าดิดามานดาขาาาาา่าพระอรหันตหรือทำสังฆเทศทำโยหิตุบะคือทำร้ายพระพุทธเ้าข้อนี้ พระพุทธองค์ก็บริมิตรานไปแล้วทํำในได้พวกสิสุสามะเนนกอดีอุบาสกอุบาสิกากอดีเพราะตัวตนทั้งท่านไม่มีพระพุทธจ้าปริมิตรานไปแล้วจะไปทําแบบเทวทัศทำในได้แต่ก็ยังเหลือทีว่าข่าดีดานานดาข่าพระังหันหรือทําสังฆเทศ ยอยั่วยุให้สงฆ์ทะเลาะเบาะแว่งจิกเสียงแตกจากกันารหยีอยอกจาสังกัประเทศคนที่ไม่มีความชั่วส่วนนี้มีสิทธิทจะปฏิเสธิบัติเพื่อมรกคเพื่อผลได้ถ้าไม่ห้ามกั้นในมีขขได้ที่ห้ามกั้น คือปฏิบัติบ้างแต่จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับาการกระทาขึ้นอยู่กับยาสนาบามีอีกเหมือนกันคนที่เคยบำเพ็ญมาก่อนคือน้ำที่เขาตักไปตุ่มมาแล้วยังไม่เต็มยังยิดงยังหน่อยเรามาเพิ่มอีก ขันสองขันมันกดจนใ้ า, า ย, ยังไม่เลยมีใครตักมาใส่เลย้ายมันตุมใหญ่ก็ตรงเอามาหลายขันทิ้งจเนเต็มให้ในอย่างนั้นก็ไม่เต็มพราะมันออยังบุกคลองอยู่มากมีวัฒนารของพวกเราท่านมันไม่เหมือนกันแล้วเราก็าไม่ทราบว่ า, าททนธษณมมันเกินมาอย่างไร แค่นั้นจึงตั้ใจปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเหุใครปฏิบัติให้ตัวเองถ้าตัวปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามเหยอกเย็นความเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเป็นอานิสงสงที่เราก็ะทำบ่มเพงไม่ใช่ <c oughs> เป็นอนิสงมาจากที่อื่นคนปฏิบัติตามอาจทมนั้นทุกคนทุกท่านจะต้องเห็นจะต้องเป็นในตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่เชื่อว่าทำคำสอนของพระเจ้ายัายงมีมรรคมีผลอยู่หรือไม่หรือหมดไปตามการตามสมัย อาจจะสววใสลังเลเพราะพุะพุทธเจ้าหรือตำหรับตําราที่กล่าวเอาไว้ที่มันเขียนเอาไว้ในทราบว่าผู้ใครเป็นคนเขียนเขาก็บอกว่าศาสนาหลวงไปแถานั้นถ้าอรหันจะหมดหลวงไปแถานั้นจะมีพระอนาคาหลวงไปแถานั้นจะมีเศรษฐีทาคาโซดาเขาเขียนเอาไว้มีในตำหนักตารา จะพู้เขียนนั้นจะเป็นผู้ชาญรู้จริงจังหรือจะเป็นคนโง่ขนาดไหนเราก็ยังไม่สามารถทราบได้ถ้าหาจะเชื่อหลักทำที่พระพุทธเจ้าส่ายเอาไว้เวลาขาโตขวาราทำโมทำที่พระพุทธเจ้าส่ายเอาไว้เจ้าสาวขาแตะทำ คือนำผู้ปฏิบัติไม่รู้ให้เห็นให้ดีให้เห็นได้สารที่คืโกผู้ปฏิบัติจะเห็นเองอาการลิโกไม่มีการไม่มีเวลาชาสร้างหน้าต่างชาผู้ปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าจะทรงสะสมอยู่หรือปรินิพานไปผู้ที่ตั่งใจผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นไม่มีการเสียหาย หลายกิเลดได้เท่าไรจิตใจก็ยิ่งเบายิ่งสบายไปเท่านั้นกิเลสมากเทไรจิตใจก็ยิ่งเนืเ่อย ด, ดำทุกข์ยากลำบากเหลือดร้อนเท่านั้นถ้าหากเราเชื่อมั่นตามบทของคำสี่พระพุทธเจา้าทรงสอนนั่นก็นเนี่ย ควจะไปเชื่อว่าอำนาจวัชนาเมฆฝนหมดการหมดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตั้งใจประพฤปฏิบัติดีตามที่ท่านแย้สอนจิ่งใดที่เป็นที่เป็นไ ท, นทยอย่าไปคิดไปทำในสิ่ง น, นั้นสงิงใดที่ท่านให้ละบีบละจิงใด้ที่ท่านให้บ่มเช่นบีบบ่มเช่น สิ่งที่ควรละพวกคือสิ่งที่ชั่วที่เสียโลภโกรดหลงเป็นต้นเพราะเป็นมูลของอกุศนถ้ามีโลภ ม, มีโกรดมีหลงแล้วอกุศลอื่นๆสึ่งยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเท่าย้ยงฟูขึ้นเพราะอาศัยมูลเหี้คือซอมโลก ความปดความหงนี้เป็นสมุติถามจะทำความชั่วต่างๆหนักลน่น่กนนไปทุกวันทุกเวลาอโรพาอโทส า, อ โ, ทาอโมหะคือทำในโลกไม่กวดไม่หลงก็เป็นตัวตัง้งตัวตีของปูสฝนคือธรามสลักผู้ใดที่มีธรรมมีสติปัญญารักษาใจของตัวอย่างนั้น ทวาเสื thì, th ăn, mày, ả, ่อที่เคยมีอยู่กวนาวันตกไปทํามชั่วใหม่ที่จะโผล่หน้าโผลมาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเกิดขึ้นได้ทํามสงบสุขท้องใจกวนาวันที่จะสงบสุขเหนื่อยไฟละเอียดเบื่อไปนี่คืออย่างที่ท่านเห็บําเพ็ญได้แก่ศีน คือการรักษากายวายาทของตนให้ปกติสมาธิความหนักแน่นของใจไม่หวั่นไหวในสัญญาอารมณ์ปัญญารอบพ่อทิจไรนาให้รู้ให้พาใจตามเ็นชิงในสิ่งแบบนั้นเนื่อมันมีอาวุธในตัวฆ่าศัตรูได้แก เรื่อท้องกีเล็ตมันจะมีมามากมายขนาดไหนก็สามารถฝาดฟันให้ทะลุปูบ่งไปได้นี่คือทาถี่พระพุทธเ จ, จา้าทรงแงสอนไม่มีการไม่มีเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องเข้ามาสอนใจท้องตัวอย่าไปคิดว่าทําอยู่นอก กายนอกใจนอกฐานนอกธรรในผิว่าอยู่ในนี้ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาภายในเห็นอะไรน้อมเข้ามาสอนใจคนนั้นใจจะเป็นสุขใจจะเป็นอับเป็นขันในหลงไหลไฟฝันไปในเรื่องโลภเรื่องสมมติถ้าหากในน้อมเข้ามาส่งไป ข้างหน้าเพราะว่าอย่างไรตัวงออกไปถึงจะฟังคำอ่ า, อานคำาัวทรงไปข้างนอกท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างนี้ในน้อมมาพิจเรณาในจิตในใจของตัวคนนั้นจะฟังกจนตลอดจี่ตลอด่าติกม่ามีโอกาสเวลาที่จะพบธรรมะอันจริงจังในจิตในใจได้ถ้าโยนน้อมเข้ามา คนอยู่น้องเขามาสอนกายสอนใจของตัวเกิดเห็นคนทุกคนยากคนลําบากลําคางคนเจ็บคนป่วยต่างๆนั่นนะเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเขาเหล่านั้นคงสุขสบายเมื่อเกิดทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้มีความสุขที่ไหนเรื่องของกาเรามีกายเหมือนเขาไหม เ ม, มื่อเรามีตใจเราก็จะประสบพบเห็นอย่างนี้นี่ชือเรื่องที่จะนํามาสอนใจของตัวไม่ให้ลุ่มไม่ให้หลงไม่ม ใ, ห ỗ, มให้เพิดให้เพินไปในทางราคาปัญหาพออาศัยปัญญาพออาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเอาไว้สชำระใจของตัว เราสำลักอยู่เรื่อยก็เหมือนกันกับเราปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดสระมันปอบหน้านั่งหน้ า, น า, นาอาศัยหน้าพักหน้าอยู่ถ้าเราไม่สำลัเออกเฉยเลยอย่าทราบบ่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เพราะเห็นในคือเราไม่ปัดไม่กวาดตามป่าตามดง มันน่าอยู่น้าอาศัยไหมใบไม้ใบหญ้ามันก๊กขนาดไหนที่ดีสละพอไม่ใส <c oughs> ่ใส่ว่ามันจะตกกระโปกขึ้นระยะเวลาสั้นๆนะอันนั้นตกมานิดอันนี้ตกมาหน่อยหลายข้างหลายหงมเข่ามันก่อนนะ้าแน่นขึ้นไปตกกระปกมน้าขึ้นไปคนไปอยู่ไปอาศัยก็ไม่นาแนาน ใน่หนาแนาเพราะมันโกกัปกมีจิตใจของผัวเราฉันกับทำนองเดียวกันถ้าหาดการรักษาการชำระปล่อยให้อารมณ์สัญญาปล่อยให้กีเหนียตัณหาตกลงมาวันนั้นิดวันนี้หน่อยหลาย้างหลายหนในชำระมันก็น้าแน่นขึ้นไปส่วนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอักเป็นทำอะไรเป็นกิเหนียจตัณหาเหมือนิติดตาไปหมด ถ้าเราชำระอยู <facial> ่เร <gger> ื่อยๆกาจัดอยู่เรื่อยๆอะไรตกลงมาเัาก็มองเห็นแล้วก็ปัดกวาดออกไปําระออกไปได้ง่ายนี่คือเรื่องสติปัญญารักษาใจําระใจท้องตัวสติปัญญาจริงๆญาสําหรับกําจัดวิเวตปัญหา ที่เป็นโกรกไข่หยีเยียงใจของตัวสติก็คือความรัรู้ปัญญาก็คือความรอบครอของจิตท้องใจรู้แล้วนำมาที่นิพจานาแจกไข่สิ่งใดที่เป็นคิ ด, ดเป็นใจกาจัดขับไล่สิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เก็บเอาไว้อสอนจิตสวนใจของตัว คนมีความสุขความสบายคนที่ทุกข์เหลือดร้อนวุน่นวาย้ดยส่วนใหญ่ก็คือทุกข์จาก อ, ร อ, อาอรอ ม, มาาาาณอรอมาา์ของใจคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละจะทุกข์จะทุกขคนที่สงบได้อารมณ์น้อยเบาสะดวกสบายไมวุ่นวายในจิตในใจ อารมณ์เป็นเรื่องสำคัญแต่อารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะทุกเวลาล้ากมีปัญญาแกถไขแล้วก็หลงตามอารมณ์ผิดตรุงสิ่งผิดเจนสิ่งในจิตในใจทั้งคนหลงทีนั้นทีนี้มาเข่ากปเลยเลยเถิดเลยแดนเดินสาว่า อ, อะไรเป็น อาจเต็นทำให้ใจก็เลยเต็มไปด้วยโลกเดี๋ยัวโดยหลงโดยทีวิลโดยกันหาเพราะไม่มีปัญญาสำลสาสารสต่ะนั้นเราสำละกสาสารงที่เะรนาธรรมะของพระพุทธเจ้าพิจาจรนาถาดุขันตามเป็นจริงของมันก็มีวันมีเวลาทีใจจะเชื่อมั่นยอมจำนน ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นท้องจริงอย่างนี้เป็นท้องดีพิเศษอย่างนี้พอเราทราบเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราจะต้องเชื่อไม่เช่นอื่นไปถ้ายใจเห็นใจเสียนสาใจไม่เห็นในเช็นมันก็ไม่เชื่อถึงจะได้ยินจาก คนอื่นเลยดูตามสาำรับตำลามากดตามมันหนึ่งทางทจิตใจขับไล่จิตใจที่หนุมหลงตกออกไป้าหากเราเพื่อปฏิบัติพิ่เจนาตามอัดตาธทำมีเรื่อยเรื่อยจิตใจไปเห็นไปเ็นสิ่ง่เราเคยได้รู้มาก่อนได้เห็นมาก่อนถ้าหากมันเกิดขึ้นจากการปฏริบัติ มันจิตกันเหมือนฟ้ากับดินจิตใจนะทั้งๆี่เราเห็นมาก่อนเรารู้มาก่อนเหมือนกันแต่จิตมันไม่เจนให้มันก็เกิดโฉงไสเหมือมันเจนให้มันหายโฉงไสมันอใจชัดเจนตวามจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็น กรู้เห็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นกันเนี่ธาเนศของท่านภารกิจของท่านก็ได้ฟังเสียงจากพวกเราได้ฟังกันได้เห็นสิ่งที่เราเห็นกันแต่ท่านนำสิ่งเหล่านั้นน้อมเข้ามาภายในที่เจนนะกายใจของท่านจนความรู้ที่เคยเห็นเคยเจนในจิตขึ้นเกิดขึ้น แต่ทับในจิตในใจทั้งท่านหายสงสัยหนีคือการเห็นภายในเห็นอดเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านอยากเห็นอยากเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็รจงอุตสาหพยายามทีนี้ที่จรนา ในเหลือวิสัยท่าต่างใจกว่าคิดปฏิบัติทมจูงความคิดความจิตความค่องมันมีอยู่ที่ไหนในสำลักสาสางจำจัดขับไล่มันจะตกออกไฟมันจะหมดไฟในจิตในใจความสงบไม่ต้องหวงใสท่าหักจจัดสญสาอารหมออกไฟหมด ความสงบในจะเรียดหามันเกิดขึ้นมาจากการจาร ท, ทํำบำเพ็ญนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ไปปฏิบัติที่อื่นบุญไม่ใช่มีที่อื่นบุญคือความฝึกบุญคือความเต็มใจบุญคือความเย็กเย็นไม่ใช่จะอยู่ในโรงหนังโรงริเจ มันจะอยู่ตามธรรมตามภูเขามันอยู่กับเราหากเราสงบได้เราสบายได้เราทำจิตทำใจให้เยือกเย็นมันก็จะต้องเห็นบุญคือความสุขความสบายเกิดขึ้นการปฏิบัติจิบาตริงจำเต็มจะต้องกระทบำบาเพ็ญไม่อเจตายแล้ว ึ่งจะทำพระพุทธเจ้าตัสรูกตัสรู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่สาวกทั่วไปที่ลายกิเลสได้ก็ได้จะเมือ่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วุงจะได้เราทั่วไปกท่าทำนองเดียวกันเราจะเห็นจะเปล่นก่อนในเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ ต่างหน้าต่างตาต่อสู้ําจัดเงินชั่วเสียต่างๆที่มันฟุงมันคิดในจิตในใจตาไปเห็นเกิดยึดถือไปทางราคาตัญหามันก็ผิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้าตาไปเห็นน้อมนำมาที่มิจิาเน่าเกิดทำลายกิเลสปัญหาของใจี่มัน คิดไปปรุงไปแบบมันสวยมันงามมันอย่างมันยืนอย่างนั้นอย่างนี้เจนาทางอรสุธาอรสุคังเจเจนาทาง อ, อนิจจังอนัตตามันก็หายไปได้ไมาได้ห ล, ลงไปตามสัญญาอารมณ์ที่มาเหออยื่อยุจิใจูีชื่อการปฏิบัติขาทุกคนรระวังรักษามีธรรมะในตัว คนนั้นก็เหมือนคนมีอาวุธในตัวไปสถานที่ใด <c oughs> อุ่นใจถ้าเรามีอาวุธพบอันตรายเข้าแล้วก็มีทางที่จะต่อสู้เพราะอาวุธอยู่ในตัวของเรามีหรือเรา ม, มีอาวุธอะไรจะไปสถานที่ใดตกตัวเขาจะ คนจะขี้จะฆ่าจะขี้ไปพบสัตว์รื่มีกำลังเผ่าก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรต่อสู้กลับมาโลกอันนี้มันมีอันตรายคนจึงสร้า ง, งอาวุธเอาไว้เพื่อป้องกันตัวมีจิตของเราก็ทำนองเดียวกันมันมีอันตรายเพื่อแก้เรื่องปัญหาอารมณ์ของใจผ่านจึงให้สร้างอาวุธคือสีม สมาธิปัญญาเอาไว้เพื่อจะต่อสู้กับที่เหลือกันหานัหนนั้นให้ตกไปใจจะสุขใจจะสบายในการฝึกปฏิบัติจริงเจนหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องฝึกปฏิบัติจะต้องรักษาหาความสงบในอัดในธรรมความสงบอื่นมันไม่มีถสายจิตไม่สงบ ถึงข e ี้จะไม่มีอะไรมากกว่ากลัมีอะไรเกิดจ SO ิตใจมันกบกุ้งไปคิดไปไม่สงบขึ้าพยายามสอนใจในอักในทำทำจิตทำใจให้สงบแล้วมันสงบโยกอันนี้ไม่มีความหมายอะไรนอกจากใจไปหมายไปข้องพยายามสอนจิต รวมใจท้องตัวทุกคนมีสิทธิจะต้องจนปฏิบัติได้เราเกิดมาในช่วงวัยที่อ ย, อยู่คําฟ้าในวันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องตายไปจากโลกอันนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่รเรื่อยๆควงควายจะทํำมำเพลินให้เห็นให้เจนในจิตในใจให้ใหายช่องใสงตายไปจะไม่มีภบชาติเพราะความบริสุทธิ์ท้องใจ ได้ประสบพบเห็นแล้วจะไปห่วงอะไรอีกจะไปสงสัยอะไรอีกทำหมดเกิดเป็นอย่างไรคําบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมันเข้าใจในตัวนี่มันหมดทุกหมดโทษมันจะเกิดไปได้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยต่างใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจะเกิด เป็นเห็นขึ้นจากการอยู่เฉยๆการในอย่างที่นี้ที่เจนะแต่มันเป็นมันเห็นมันรู้โดยอายุเดยพรรษาโดยในสองที่เจนะถากเพียนอะไรทุกคนถื่เกิดมาเกิดใหญ่เป็นคนแก่ก็จะมีอาบนี้ทำมีความสุความสบายสจายสบอยู่บวดมานานก็จะมีอาบนี้ทำ มีมีมีสมาธิมีปัญญามีวิชาวิมุตต์ด้วยกันทั้งนั้นนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะการจะ่ทำมอมเพิใครต่างหน้าต่างตาแต่ทำมอมเพนสัสละสิ่งที่เสื่อผีอเสียออกไปจากกายจากใจมอมเพิ่สิ่งทีดีผีชอเข้ามาคนนั้นก้มีวันมีเวลาี่จะประสบ นักสะสบผลในเป็นของนตงนยันงนนองอะไรโหเอาละเอว <c oughs> สายไขาเร่อไง